เคาปฏิปทาทามิกถาก่อนฟ้าสางวันที่11มกราคมพศ2547เรื่องชีวิตนี้จิตเป็นผู้นำไปตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขคขบคุลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้เชิญท่้งหลายวางมือลงมันเกิดคอนฟ l i c อะไรขึ้นน่ยมันช็อตกันดังสนั่นปันได้เลยเจาหน้าที่ไ่โอเป อ, อเอรเตอร์ต้องเข้าใจมันต้องช็อตตัวใดตัวหนึ่งที่มันค้าง บางทีเทคโนโลยีแต่เราขาดโลีิโลชิกันขออนุมันาสาธุการในความภาคเพียรพยายามความอดทนความฝักใฝ่ใส่อกใส่ใจในการพื้ปฏิบาิของพวกเรา ตั้งแต่เวลาเริ่มขึ้นปีสองมาเราได้กำไรกัไรจากการฝึกหาพัฒนาตนมหาพลโภคซึ่งเวลาให้มันเป็นเสขาปฏิปทาของเราชุดนี้ปีที่สามรู้สึกว่า เดินทางเข้าที่เข้าทางได้ง่ายมีความงบงดงามกว่าเก่าได้พัฒนาขึ้นมาตั้งเยอะน่าชื่นชมยินดีในปฏิปทานี้ถึงจะเหนื่อยผมก็ไม่เหนื่อยเปล่าผมยังดีใจเพราะพวกเราได้พัฒนากันขึ้นมาเยอะเริ่มมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราไม่ได้ไมว่าเดมีเวลาจะ ินโทรดักพรีพรีเลชันอย่างอื่นและโลเกชันของโทรเราก็มันเคยได้ทำอะไรมาถึงก็มาลุยกันเลยพวภาษาบ้านเราลุยกันเลยก้าวลงสู่ใตศิขาก้าวลงสู่ห้วงเสขาปฏิปทากันเต็มเต็มเตมเต็มมาเลยเมื่อวาน เราทำความเข้าใจกันมาถึงจุดที่เรียกว่าลักขณงปณิชชาญ Concentrate through to characteristics of existence แต่วันนี้จะสอบเนาะตรวจสอบ Explanation เช็ค and b a l a n ต e ตรวจสอบและก็ทวงดุลการฝึกหัดพัฒนาการศึกษาของเราเป็นไปได้แค่ไหนเราจะได้ตรวจเราเรียนอยู่ในห้องในมหาวิทยาลายัยฝ่ายการจัดตั้งตามกระแสนกระแสนหลักของการศึกษาที่ระบบทางรัฐ ทางการแต่ตั้งมาหนึ่งปีเราสอบสอบไปเป็นคอรอดเป็นเทอมเก็บไว้เก็บไว้ไวจนครบสี่ปีบ้างสองปีบ้างสามปีบ้างผ่านเมื่อกิดครบได้ผ่านสอบผ่านแต่มาการศึกษาแบบนี้แบบดั้งเดิม แบบไตยสีา่าแบบพัฒนาชีวิตเป็นสู่ความเป็นอารยะชนมันไม่ใช่อย่างนั้นต้องตรวจสอบทวงดุลอยู่ตลอดไม่ใช่หนึ่งปีสอบน่นสอบทุกขณะการตรวจสอบใหญ่แต่ละวันแต่ละครั้ง ที่ว่าตรวจสอบทุกขนานี้อันนี้เรียกว่าเป็นสำนึกของการศึกษาที่ภาษาพระฤาษีาวะสิกิตพังสิกิตพังเราสวดกันอยู่บ่อยๆแต่เราไม่ได้ไปการศึกษาระบบเซขะปฏิปทา แบบดั้งเดิมแบบพัฒนาคนประสู่ความเป็นอริยชนอริยชนนั้นไม่ได้จำกัดเวลาบุคคลเหตุการณ์สถานที่ทั้งเพศและวบยไม่ได้จำกัดเมื่อไหรจะเป็นเพศ น, นักบวชหรือเพศฆลาวาส ไม่วาจะเป็นัยหนุ่มใบสาวใแก่ใบเท่าใชราหรือกำลังจะตาย ง, งาบๆจบก็ยังยั ง, ย, ง, ย, งยังศึกษาได้นะถ้าเราเคยอ่านตามพระสูตรต่างๆเราจะได้ยินได้เห็นคำนี้เกื่อนกลไปหมดอนาถาบินทิกาเศรษฐีกำลังจะตายเมื่อเอ่ยชื่อท่านผู้นี้พวกเราจะรู้จักเองเป็นผู้มีเกียรติคุณสูงส่ง ในสังคมแฟนโกสน ใ, นในในเมืองสวัสดีเป็นผู้มีบทบาทโดดเด่นในสังคมด้านสังคม ส, ม ส, ส, มสงเคราะห์ศาสนาสงเคราะห์สงเคราะห์สังคมสงเคราะห์ศาสนาสงเคราะห์พระองอเจ้าเชืตะวันมหาวิหารเป็นผลงานของท่านผู้นิส้างขึ้นมาแต่เวลาท่านจะตายอวยหนัก ท่านผนี้มีความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าในตัวพระสารีบุตรแต่พระอนุน์พระอานุน์ น, นี่น่ารักใครได้อยู่ใกล้ไม่อยากหนี้พอได้ฟังเสียงพูดเสียงจางของพระอานุน์ไม่มีใครอยากนี้ไม่อิ่มแต่ก็ต้องไปเพราะเวลาของท่านมันคยจะมีมากเสมอสารีบุตร จเจริญรุ่งเรืองด้วยสติปัญญามากยิ่งอยู่ใกล้ชิดยิ่งได้พูดได้จา่าได้รับฟังก็ทำให้จิตใจเจริญด้วยสติปัญญาไม่เบื่อไม่หนายเหมือนกันคิดว่าจะคงคงจะไม่รอดจะตายแน่ก็สั่งคนใช้บริวารให้ปนิมนต์พระสารีบุตรพระอ น, นุ์มาเยี่ยมพ่อเอ้ยพ่อมหาจำเริญ ไปเถิดไปนิมนต์ท่านสาธุปถั์ท่านอนุนมาเยี่ยมอาการของเราเถิเราคงจะไม่บรรเทาดอกพูดง่ายว่าคงจะไม่เหลือไม่รอดเราคงจะต้องตายก็พากันมามาถึงก็เป็นหน้าที่อันหนึ่งของพระเรียกว่าคิลานนะสตุปกะให้ไปเยี่ยมเยือน เตือนสติเป็นยารักษาจิตใจของญาติโยมยำป่วยยำไข้เพราะฉะนั้นพระสงบางท่านท่า น, นตระหนักในเรื่องนี้เมื่อญาติโยมที่เข้าวัดเข้าบานเป็นไประจเห็นหน้าเห็นตากันโยมผู้เจริญด้วยสถานในใจิตใจได้ยินข่าวว่าเจ็บไข้ได้ป่วยพระท่านจะไปเยี่ยมไม่ได้ไปเยี่ยมอะไรดอกอาจจะไปเทศน์ฟังอาจจะไปเตือนจิตเตือนใจเตือนจิตสกิดใจด้วยสติสัมปชัญญะ ให้รู้จักตั้งออกตั้งใจดีๆก่อนจะตายอันนี้เป็นหน้าที่ของพระอันหนึ่งที่พระรัชาสั่งสอนพระสารีบุตรก็ไปพระอ น, นุน์ก็ไปไปเห็นก็ไปถามเอามือไปคําโลูบดูร่างกายบ้านทั้งวัาไปค้าขคี้งบ้างหนะาค้าขคี้งบ้างตัวร้อนไหมหรือตัวเย็นไข้ขึ้นไหมไมันมีปลอดวัดออกสมัยก่อนเอามือนี่แหละวัดเอา ข้าบดีพอทนได้ไหมกัจจิปนัาปติขามนันยังจะปนิยังข้าปติข้าบดีพอทนได้ไหมพอเป็นไปได้ไหมสรีระนี้ร่างกายนี้บรรเทาขึ้นบ้างไหม อาณาถาบิรุษกาศธีนอนป่วยกับสักดิสายงก็ตอบว่าทนได้ยากเป็นไปได้ยากไม่บรรเทาขึ้นเลยอาภาเนี้ยมันแดีเพิ่มทวีคูณขึ้นกำเริบขึ้นผมคงจะอยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วอ่าภาเนี่แรงกล้ามากเวทนานี้แรงกล้ามาก<อ>เพียงแค่นี้แหละ พระสารีบรสอนให้ศึกษาเลยเสข่า ท, าทันทีเลยแต่สมาติหาเตหะปฏิสิขิตตพังเพราะฉะนั้นเค่พบดีเอ้ยท่านพึงศึกษาอย่างแรงกล้าอย่างนี้เถิดนะดูสินักศึกษาเสขาา่าปฏิบัติธรจะตายง่างๆแล้ต้องศึกษานะไม่ได้เรียกว่าเป็นพระหรือว่าเป็นเนรหรือเป็นชาวบ้านหรือเป็นคนหนุ่มคนเท่า เมื่อเรียกคนจะตายปรากฏว่าพระสารีบุตรเทศนฟังกันนั้นการศึกษาในขณะที่กำลังจะตายอนาถวิธิการเศรษฐีหลังจากพระสารีบุตรและพระอนุนกลับไปเมื่อนานก็ตายตายทํากลางการศึกษาและรัได้ได้รับประโยชน์ด้วยท่านสอนาอยจังไรให้ศึกษา ง, ง่ายแต่ก็จะยากฟังดูแล้วมันง่ายแต่ทำแล้วดูจะยากแตบอกตัศหะตัตมาติาตาหเตก้าปฏิสิกตัังเพื่อหาบดีท่านจงศึกษาอย่างนี้นะมีคาว่าตับังตับังตัวนี้ว่าอย่างแรงกล้า น, นะเข้มข้นนะอย่าทำเล่นพอเอะอะไล่นะทิฏฐิ ที่ธรรมต่างภวิสติได้เห็นจนสัตว่าได้เห็นสุเตสุธรรมต่างภวิสติได้ยินสัตวาได้ยินมุเตมุตมต่างภวิสติได้สบทราบด้วยความรู้สึกทางจมูกทางลิ้นทางกายเพียงแต่ว่าสบทร า, า, าบภาษาบาลีะละเอียดนะมันแจ้ ทราบกันหนึ่งนะรู้กันหนึ่งพวเราหนึ่งว่าเดียวกันหมดเลยมั่วเห็นเขาพูดวิทยุการทราบแล้วเปลี่ยนเขาว่าที่ไปเจอยะไรแบบนึกภาษาไปดูว่าตาบรีเขามีมู้ดเต้นะมีวิญญาเต้นะได้เห็นได้ยินได้ทราบแต่รู้แจ้งได้แสวงหาได้พิจารณาด้วยใจเพียงแต่สราบว่าได้เห็นได้รู้ได้ทราบได้รู้แจ้ง ได้พิจารณาด้วยใจแล้วก็ให้มันจบลงนะอิทะโลกเก อ, อุปเทจิตถาวินาประรโรติโลกเก อ, กเก อ, อุปเทจิตสามิไม่พึงยึดมั่นในโลกนี้ไม่พึงยึดมั่นในโลกไหนเอเสวันโตทุกขสะนั่นแหละไปะที่สิ้นสลดลงแห่งทุกขภาวะดีว่าอย่างนี้แล้วอนาถที่บินธิกเศรษฐีร้องไห้ร้องให้โ อ, อขึ้นมาน้ำตาไหลนองหน้าเลย พระอนุนเข้าใจไม่ทันรู้ไม่ทันพอพระอนนุนไปเพียงโสดาวัตรพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์แล้วก็เทศสวนขึ้นมาเลยไม่เข้าใจว่าพระสารีบุตรจะมาเทศอย่างนี้มาหักคอนึกว่าเทศหักคอสร้างวัดสร้างวาวมาแหมหมดตังหลา ย, ลลายาร้อยล้านบรรลุมพระสง์เจ้ามาทั่วทั้งสังคฆมณฑล แต่จะมาบอกให้ทิ้งใหปล่อยให้ปะถ้าที่ได้เห็นได้ยินได้รังเกตได้ได้รู้แจ้งได้สแสวงหาแสดงว่าให้ทิ้งบุญด้วยแกก็ต้องร้องไห้เสียดายบุญที่ทำมามากบอกว่าณนะอุปปธิยิสสามิใจยิสมั่นนะอิทะโลเกปะระโลเกณติอุปธิยสามิทั้งโลกนี้ก็ดีทั้งโลกหน้าก็ดีสวรรค์ก็มาต้องไปยิสมนะั่นนั้นพอผู้ย่างนี้ร้องไห้แต่ไม่ใช่ร้องให้เพราะเพราะเข้าใจผิดนะ ร้องให้เสียดายพระอนุตตหากเรา ท, ท, ที่ที่เข้าใจผิดรีบสอนสวนห่างเลเทศแสงขึ้นมาเลยเคื่อบอดีถ้ายังมีความอาลัยใจจดใจจ่ออยู่ลหรือทามีคาถาที่ท่านสาริบุตรแสดงมาเหมือนจะหักฐานราวรานใจของท่านใช่ไหมยิ่งร้องให้หนักไปกว่าเก่าร้องให้น้ำตาไหลไหนลรานองหน้าคล้ายๆกับ เ็าจะเสียใจว่าพระอ น, นุนไม่เข้าใจเข้าใจไม่ชัดคิ่ว่าเสขาปฏิปทานเนี่ยจะต้องสอนในนักบุญคนทำบุญอย่างเรานี่นไม่ให้สอนได้นี่นี่ตัวสอนนะครับฟังดีนะนี่คือสำนึกในการศึกษานะสิกิตพังเลยนะทุกขณะที่เห็นที่รู้ที่ทราบที่สัมผัสอารมณ์ทั้งหมด นั้นเป็นสํานึกในการศึกษาให้รู้ว่า น, นันมาให้เราศึกษาให้เราฝึกหัดพัฒนามี่สอนแล้วนะสอบทุกคณะและวที่จะมาสรุปค้อสรุปสันติขีนึ้นอนันต์รีวิทยาเศธีเมื่อได้ยินเสียงถ้าอานนท์พูดอย่างนั้นก็เลยกล่าวว่าถ้าอานนท์พูดจริงเกิดผมไม่ได้เสียดายเสียใจอะไรใจจดใจจอง จูกับปฏิปทาแห่งบุญที่ผมกระทำดอกปุญญะกาลโนยารโรจกะอหันจกักกโรตุกโรติกับผมกระทำมาซึ่งการพ้มเพียงสาแวงหาบุญทั้งหลายนั้นผมก็ไม่ได้เสียดายไม่เสียดายไม่อะไรอ่อนดอกแต่ผมเสียดายทำ ม, มิกระถาเช่นนี้ไม่เคยจำแจ้งแก่ผมไม่มีใครเทศผมฟัง เทศท่า น, นแต่พระฝังใช่ไหมเข้านอนก็นเลยก้อมแกมเครื่องคับบดีเอ้ยทามีกระถาเช่นนี้แต่แตมแจ้งแกพิกษุกผู้ออกบทไม่ควรจะแต็มแจ้งแกขลัหัดผู้นุ่งขาวห่มขาวนี่แหละที่ผมร้องให้ผมเสียใจจะตายข้างงาเพิ่งจะได้ยินแต่ก่อนทำไมไม่สอนเนอะ ถ้ายังก็เลยประนมมือขึ้นท่านผู้เจริญถึงพร้อมจะตายไปได้วยจะมีชีวิตจข อ, อนุมทนาแสดงทำวันนี้ให้แก่คาเลห์ขับผู้มีเรื่องมากมีเกตมากพระคุกิตะพระคุกรินียังมีเกตมากมีการานามมากมีเรื่องราวมากถ้าได้ฟังเรื่องเหล่านี้ผู้ฉลาดมีอยู่จะเข้าใจ <c oughs> เขาจะศึกษาเข้าใจแล้วเขาจะได้ถึงแกนสารแห่งธรรม สาระธรรมังสมาปัชติเขาจะเข้าถึงสาระถึงแก่นสารแห่งพระธรรมขอจงแสดงธรรมนี้ให้แก่ข้ารือหับฟังด้วยถ้าผมตายไปผมจะตายอย่างตาหลับนั่นคือศึกษาในแต่ตัวนี้ศึกษาอะไรแก่เข้าใจแก้เข้าใจพอทั้งสองพระสารีบุตรเทศต่อกันทายทายนิดหนึ่ง แล้วก็กลับเทศต่อว่าอย่างไรถ้าบุคคลประพฤติปฏิบัติตนศึกษาอย่างนี้บุคคลเหล่านั้นจะเป็นพวกไกลจากความทุกข์ความทุกข์จากกรามความทุกข์จากบาปความทุกข์จากบุญก็มีเนาะคำอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยจะได้ยินความทุกข์อันเกิดจากกุศลทมก็จะไม่แผ่ผ่าน แม่มันลึกซึ้งมากถ้าจะอธิบายก็คงต้องกินเวลาพูดเป็นหัวข้อไว้ก่อนเป็นเป็นนิเทศไว้ก่อนเป็นอูเทศไว้ก่อนส่วนนิเทศถ้ามีโอกาสก็จะขยายที่หลังความทุกข์จากอากุศลคือความทุกข์จากการทำบาปทำชั่วก็จะไม่มีถ้าเข้าใจได้ในเรื่องเหล่านี้ความทุกข์จากกรมคือความทุกข์หยาบหยาบที่เราจะเข้าใจก็จะไม่มี และความทุกข์จากกุศลธรรมตัวนี้ความทุกข์จากความดีทําดีแล้วคนอื่นไม่ยกย่องไม่สรรเสริญก็ไม่ต้องมีความทุกข์หรือใครจะมาลินทาวโอ้ยทำบุญทาําทานหมดเงินหมดทองไปเฉยไม่เห็นได้ไประโยชน์อะไรเลขตัวเดียวก็ไม่ถุกอย่างนี้ก็ไม่ทุกข์เรามีความสุขแล้วอยู่ในใจเราเพราะปัญญาเราเห็นเราไม่ยึดปั่นถือมั น, ม, นมันเบามันสบายปล่อยวางไปแล้วทั้งทีว่าความทุกข์อันเกิดจากกุศล ธ, ธรรมก็ไม่มี เอเสวันโตทุกขสะอันตะกิริยาญาตินั่นแหละหนอคือเส้นทางแห่งการกระทำที่สุดแห่งทุกข์และความทุขทุกข์จะไปสิ้นสุดลงตรงนั้นต่ำไ ม, ม่ถึงท่านก็ส า, นาหน้ําตาเหงื่อแห้งควางมือไว้ที่ที่หน้า อ, อกพระสารีบุตรและพออนนระอานนท์ก็ลากลับไปไม่ห่างไม่นานก็าตายตายอย่างหลับตาเมื่อได้ยินคำนี้นเพราะฉะนั้น เราจะเห็นว่านี้คือสำนึกในการศึกษาแมแตจะต้องตายอยู่ในขณะที่กําลังจะตายก็ต้องศึกษาอย่างนี้จอบเบิงเหรอว่าคาตาลาวะจอบเบิงข้าวว่าจะของตายนั่นจะตายจากไหนตายเสบแท บ, แบตายบวมตายบวมมนวงตายเสพแทบเคยได้ยินบอกไม่ได้มีความทุกข์กับการตายความตายของร่างกายนี้ ญาติพี่น้องลูกหลานญาติสนินมิสหายเขาจะเก็บซากศพของเราที่เป็นส่วนกายเอาไปเผาให้มันให้มันเรียบร้อยให้มันไม่เป็นภาระต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่าร่างกายกว่าซากกว่าศพในตัวชีวิตที่มันแยกแยกกันคือจิตคือวิญญาณใครจะมาเก็บให้เรา ภัยสิมาเมียนทำไม่เมียนมันอัดหีให้จิตใจนี้เมื่อมันแตกสลายร่างกายแตกสลายจิตใจแต่อยู่กับร่างกายนั้นไม่ได้มันจะไปตามทางของมันและเราเองจะต้องรับผิดชอบจะ ต, ต้องเก็บเมียนมันอัตชีเองถ้าเก็บจิตเก็บใจรักษาจิตรักษาใจไว้ดีๆมันจะไปสู่ที่มันดีถ้ามันจะยังจะเกิดอีกก็ต้องไปที่มันดีกว่าเก่า จะไปถ้าเก็บไม่ดูมันจะไปที่ต่ำกว่าเก่าไปนรกไปเป็นไปเ ป, ปสุรกายเปสเดชชานหรือถ้าผู้ใดเก็บให้เป็นรักษาให้ดีจิตดตวงสุดท้ายนี้จะอัศดงประสุภัมิผ่านไม่มีใครเก็บให้เราได้เว่างา่ายภาษาเล่าหอบพางต่างขิงลมหายตายไปแล้ว ลูกหลาน พ, พ่อแม่พี่น้องญาติมิตรจะเก็บกะเลวราคสราง ศ, าศาพนี้ไปเผาไปฝังเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่อุจจากตาของคนที่ยังอยู่เบื้องหลังแต่ส่วนจิตใจนี้ใครทำให้ไม่ได้พระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เก็บให้ไม่ได้เทวดาฟ้าดินองค์ไหนพี่ต้องภรรยาสามีบิาาดามดาก็ช่วยอะไรไม่ได้ อิธิยาวาพิเกเลพิกข เ, เบปุริสัสสวานายังกาโยอาทายะคาบนิโยจิตจันตโรเอวังมโจโซปชนาติพิกสุตทั้งหลายร่างกายที่ไม่มีส่วนใดๆที่หญิงก็ได้ชายก็ดีใครพูดใดก็ตามจะถือเอาไปได้ด้วย แต่เพราะจิตนี้เป็นเหตุจิตตันตโรเอวังมะโจโสประชาณติเพราะจิตนี้เป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายผู้ที่จะตายไปย่อมทราบชัดได้ด้วยตัวเองว่าบาปกรรมใดๆที่เราได้กระทำ ในชีวิตนี้ด้วยกระชั้นกายนี้บาปกรรมนั้นทั้งหมดบุญกรรมนั้นทั้งหมดสพเวทนิยานิเวทนิยาทั้งหมดเราจะเป็นผู้ได้รับเราจะเป็นผู้เสพเสมยคือบาปคือบุญเราจะรู้เองเมื่อเวล า, เาจะตายเวลานั้นเราเราจะต้องมาเก็บเก็บจิตเก็บใจภาษาให้มันดี ถ้าเราเก็บได้แต่แตฝ่ายร้ายฝ่ายชั่วเราก็จะไปตกนรกถ้าเราไปเก็บฝ่ายดีๆไว้เราจะไปสวรรค์ไปเกิดใหม่ที่ดีกว่าเก่าถ้าเราไม่เอามันเลยมันเลยหมดทั้งสองตรงนี้แหละที่บอกว่าเอเสวันโตทุกขาจาักนาอิทะโรเกปรฏยิศสาวิณะประโรเกปัฏยิศสาวิไม่ยึดมาในในโลกหนึ่งไม่ยึดมาในโลกไหนไม่ยึดมาทั้งบุญและบาปตรงนี้มันลึกซึ้งมากมันดึงทําให้คนที่ไม่เข้าใจต้องร้องไห้เสียดายเสียดายเลย เมื่อเราไม่เอาทั้งสองมันก็เลยไม่มีเยื่อใอยยางให้ไปเกิดที่ไหนให้ไปตายที่ไหนให้ไปแก่ที่ไหนมันดับไปเหมือนผลไม้มันหมดหมดด่างนี่คือการศึกษามันจะไปโน่นนะการศึ่อาเป้าหมายสูงสูงอยู่ตรงนั้นอันนี้คือสามเรื่องในการศึกษานะครับฟังให้ดีเมื่อเราได้ยินเมื่อเราได้คิดยังเมื่อคืนนี้เรามาโจลงที่ความคิด จิตตปริสังเวทีจิตตสังขารังปริสังเวทีอัศัปะตะสามีติตสิกขิตพิสู น, นันพึงทำในบทศึกษาบ้างเราไปผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารจยองหายใจออกหายใจะ ข, ข้าเข้านี่หมายความว่าสำนึกในการศึกษาจะต้องมีทุกลมห้ยใจออกห้ยใจเข้ามันคิดอะไรก็ต้องรู้มันอยู่แต่เงน้นเอาความรู้ไปต่อความรู้ เหมือนเอานกไปต่อนกเอาไก่ไปต่อไก่อยากได้นกเอานกไปต่อจะได้นกเขาเอานกเขาไปต่อนกเขาไม่เอานกแห้งไปต่อคนค่ยะแน่เพาะที่เข้มถ้าอยากได้ก่ก็ต้องเอาไก่ป่าไก่ไก่ต่อไปต่อเอานกเขานกพู่ไปต่อไก่ป่าไม่ได้อยากมีปัญญาเอาปัญญาไปต่ออยากมีความรู้เอาควารู้ไปต่อ มื่มันคิดขึ้นมัเอาความรู้เข้าไปรู้ความว่ามันคิดในมันต่อกันมันคิดมันก็รู้อีกก็รู้อีกเอารู้เอารู้ต่อรู้รู้ครั้งแรกไม่พอสองสามสี่ครั้งไปเป็นเป็นอภินญายะอภินญายะรู้ยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งเมื่ออภินญายะมากขึ้นก็จะเป็นสัมโพธายะรู้พร้อมเฉพาะน่ะเป็นความรู้อัตโนมัติตอนนี้แกคิดปาเมื่อไหลฉันก็รู้เองของฉัน ฟิกฟังสีนวว่าเป็นพ ร, ร, พระออาตุภารกินปัญญะปัญญังสังสันธมานามหผราโหติมหาในสังซ่าพระวิตาพระโุดีกตาเอกัเจพิมุตโตอุปชติเอาความรู้ไปสืบต่อกับความรู้จะมีความรู้มากจะมีผลมาก มีอ น, นุสงฆ์มากเมื่อการทำมากเจริญให้มากแล้วยังเป็นไปเพืความหลุกพ้นของบุคคลผู้นั้นของบุคคลกลุ่มนั้นไป น, นู่นอันนี้เป็นสํานึกในการศึกษาทุกขณะที่เราคิดทุกขณะที่เราได้ยินเรารีบรู้ซะ ก, ก่อนรู้เฉยๆนะครับมัดตังมัดตังมัดตั ง, ตงไปว่าซื้อซักว่าพระตไทยว่าซักว่า วิญญาเตวิญญาตัมตังภวิสติรู้สักแต่ว่ารู้มันละเอียดนะครับ <S <S ไม่ใช่เพียงแต่รู้ว่ารู้แล้วมันจะไปหลงถ้าเราถ้าเรารู้แล้วมันมันหลงถ้าเราไม่รู้สัตว์บาลูหลงไปรักไ ป, ไปชังไปชอบไปพอใจไม่พอใ จ, อใจก็จะก่อให้เกิดกิเลสตัณหามากขึ้นถ้ารู้ธรรมดาไม่เข้าไปรู้ในในผู้รู้อีกมันจะเกิดความหลงในความรู้ เมื่อหลงแล้วก็จะเกิดความมัวเมาก็จะเกิดความป่ามาแล้วก็จะเกิดความเสื่อมประดังประเดศขึ้นมาเมือ่อรู้แล้วสติวัลุรู้ชัดเจนรู้ในตัวมันจะถอนออกมาจากความหลงให้ยึดบอกทิฏฐิทิฏฐามัตมตังมัตตังมัตตาไปว่าสักฟ้าสักฟ้าคาเป็นภาษาฮับภาษาบ า, า, า, าลฮ่องภาษาราวซื่อๆหูกับหูซื่อๆเห็นกับเห็นซื่อๆ เรียนก็เรียนซื่อหอมกัห้อมซื่อมนก็เมนซื่อๆเบกก็แซบซื่บอเซฟก็บอเซซื่อๆปุบวิ่งก็ับปุ๊บที่จบอยพ่นพยายามเลยหรกดูแล้วไม่นาจะยากแต่ก็ยากที่สุดอันนี้บอกให้ก่อนว่าเป็นสานเก่งของการศึกษาทีนี้มาดูการสอบ Examination Check and Balance of Education บ่ พอภาษาพลังเนี่ยตัวเป็นอย่างไี่เนะาะผ่องๆเพรยๆตรวจสอบทวงดุลในระบวนการศึกษานี้ตัวอย่างไรครับเมื่อกี้เราพูดถึงเซขาถึงศิ ข, ขามันมีเครื่องตรวจสอบของมันใทางาพุทธศาสนานี่คือสอบสอบอยู่ทุกวันแหละไม่ได้สอบเป็นปี ไม่มีใครมามอบปริญญาให้เราเราจะมอบเองเราจะรู้จักเองลองเขียน ด, ด, ดูลองเขียนลงไปครับไตรสิกขาเป็นตัวการศึกษาสามด้านไตรศิกขาสามเขียนลงไปเอกภาวนาสี ปตรสีข่ขาเป็นการกระทําการฝึกหาพัฒนาภาวานาเป็นตัวตรวจสอบอา้าวันนี้ต้องเอาสองสองอันนี้ก็ก่อนปลายสีข่ขาสามสีข่ขาสามภาวานาสี่สีข่ขาเป็นตัวการศึกษาตัวการฝึกหาพัฒนาภาวานาเป็นการเป็นตัวตรวจสอบเป็นผลที่จะออกมา แล้วเราตรวจกันได้โดยโดยโดยตรวจได้ทุกขณะในขณะนี้ไตรสิกขาการศึกษาสามระดับสามด้านพฤติกรรมที่ศึกษาที่ฝึกหาพัฒนานี่คือสินสองจิตใจ ที่เราต้องศึกษาคือเรียกว่าอิจิตตศึกษาคือเรื่องของสมาธิจิตใจเราสงบงามไหมเรียบราบเยือกเย็นดีางามไหมไม่ร้อร้อนกระวนกวานหรือมีคุณสมบัติ ม, มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีสมรรภาพดีไหมตัวนี้จะต้องถูกตรวจสอบเหมือนกัน ปัญญาความรู้ความเห็นความเข้าใจขอเรามีเพิ่มเติมขึ้นไหมความถูกต้องมั่นคงไหมดีมงามไหมจะต้องถูกตรวจสอบเหมือนกันสีนสมาธิปัญญาไตาศิกขาสามที่เรามาฝึกศิขาอยู่ในขณะนี้จะต้องถูกตรวจสอบด้วยภาวนาสี 4. ภาวนาสี่มีอะไรบ้างหนึ่งเขียนลงไปเลย พวิตรกาโย ο, มีกายที่พัฒนาฝึกฝนมัพัฒนามาแล้วจะรู้ว่าคําว่าภาวนานี้มันแปลว่าพัฒนานะครับเมื่ได้แปลว่า น, นั่งหลับตาพูดนะพูดแล้วพูดอีกหลายครั้งแล้วภาวนามันจะชัดเจนขึ้นคือมองมาที่ภาษาฝรั่งนะเขาแปลว่า development คือการพัฒนา หนึง่งภาษาบาลีไว้ก่อนภาษาพ่อภาษาแม่ของเราภาษาเทศกชวนภาษาทางวิชาการของพุทธศาสนาฝ่ายเทววาตพระวิตัสสีโลมีสินที่พัฒนาแล้วพัฒนาจากอะไรเดี๋ยวจะได้ว่ากันผงคงจะต้องค่อยๆพูดแล้ววันนี้ผงคงแน่เมื่อคืนตีไปสชั่วโมง คอนตีอตอกตอเส้นก็นเลยระเบมไปหน่อยสามพระวิตะจิตโตมีจิตที่พัฒนาแล้วได้พัฒนาจิตแล้วเอาให้งานได้พัฒนาจิตแล้วตัวนี้จะเป็นตัวสอบสมาธิ สองตัวแรกจะไปตรวจสอบถึงจะไปเช็คแอนบาลน์ของศิลของสมาธิตัวสุดท้ายภาวิตตปัญโยมีปัญญาที่พัฒนามาบ้างแล้วได้ระดับแต่ก็ตามแล้วแต่พัฒนาได้ระดับหนึ่งก็ระดับโสดา บ, บานสูงขึ้นมาก็ระดับสกีธาคาสูงขึ้นมาก็ระดับอนาค า, ส, า, า, าสูงขึ้นมาจนสูงสุดก็เป็นอนหาหันแหละจบการศึกษาแหละ จบายสิขาจบเสขาบริบทาแล้วมีปัญญาที่พัฒนาแล้วเอาเป็นว่าภาวนาสี่จะมาตรวจสอบศิขาสามเราจะได้เห็นในตัวเราในขณะนี้แหละเดี๋วนี้ลองดู ไม่ใช่เราเรามาพูดใหม่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าที่สุดขเขายจะ บ, บอกให้รู้ว่าเป็นความเป็นความตายของพระพุทธศาสนาด้วยเรื่องเหล่านี้คูได้ยาวทราพระองค์ทรงตัดในสัธรรมะสมองสาสนอังคุตตานิการพระองค์ทร ง, งตัดว่าพิสุจ ท, ท์ทงหลายเหตุปัจจัยเหล่านี้ต่อไป จะเป็นไปเพื่อความเสื่อมความไม่ตั้งมั่นความฟั่นเฟือนความเรือนรางความจางคายความอันตรธานไปของพัฒธรรมของภาษาตนานี้เหตุปัยตำเหล่านี้มีอยู่ในอนาคตการจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่เกิดขึ้นแต่แล้วจะเกิดขึ้นในอนาคตเธอทั้งหลายพึงสำเนียบพึงสมบ่อระวังไว้ถ้าเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นในอนาคต จะเกิดความเลอะเลือนฟั่นเฟือนเลือนลางจางขายอันตรธานไปแห่งพัฒ ธ, ธรรมพัฒ ธ, ธรรมก็คือพุทธศาสนานี่แหละครับเทศไฟตามห้าประการเหล่านี้จะเกิดขึ้นหนึ่งพระเทระนวดนประเด็นนะครับใครเป็นเทระก็ อ, อยจะกระทุกกันกันผมพูดตามหลวงพุทธเจ้าต่อพระเทระบุคคลผู้บวชนานล่วงการผ่านวั ไม่มีการอบรมกายนะภาภวิตา迦โยนะภาภวิตาจิตโตนะภาภวิตตสีโลนะภาภวิตาปัญโยพระเทระผูวั น, นานร่วงการผ่านไปเป็นเสมือนบิดาของพระสงฆ์ทั้งหลายไม่อบรมกายไม่พัฒนาการไม่พัฒนาศีลไม่พัฒนาจิตไม่พัฒนาปัญญาต่อมาก็จะได้เป็นอุปชาเอาแววเอาเลยทีเดีย บวกกุลบุตรทั้งหลายเมื่อตอนเองไม่ได้ฝึกหัดทางกายไม่ได้อารมณ์กายไม่ได้พัฒนาการเมื่อพัฒนาศีลไม่พัฒน า, นฒนาจิตไม่พัฒนาปัญญาก็ไม่รู้จักแกสอนสอนลูกสอนหลานสองกุลบุตรเหล่านั้นพื่อการอรมกายอรมศีลอรมจิตอรมปัญญาก็จะเป็นหัวหน้าในการก้าวล่วง พอดทิ้งทุระนิคิดตะทุระทอดทิงทุระแห่งวิเวกไม่ขวนขวายในความสงบสะสมอามิตรลูกหลานลูกศิษย์ต่างๆเขาเห็นว่าอันนี้แหละเป็นทางที่ถูกต้องเขาก็เอาอย่างเสร็จแล้วก็จะเต็มไปด้วยความเลอะเลือมฟั่นเฟินเรือง ล, ล, ลางจ้งคายพ่อหัวหน้ า, นาก้าวล่วงในทางต่ําโอกรรนวณอย่างเธอก้าวล่วงในทางที่ต่ํา ตำไปใส่หมดเยตำลงปลเป็นนรกไปเลยมาเอาลงนรกเป็นรูดๆเ ล, ล, ล, ลยละเมื่อกุหลาบกุลาบสีดาลูกเสร็จทั้งลูกิสร็จลูกหันพระหลายที่เขามาบวชแล้วเขาไม่ได้รับการสั่งสอนจากอุปชาจากอาจารย์เขาเขาก็ทําตามอย่างที่เคยเห็นเคยพบนี่เป็นไปเพื่อความเสื่อมความเลอะเลือนความพั น, น, นเพลินเรืองลางากลางคายแห่งพระัธรรมที่เรามานั้นนี้เรามาเพื่อให้พุทธศาสนามีพลังด้วย ไม่เสื่อมไม่เลอะเลือนไม่ฟั่นเฟือนไม่ลือนลางจางขายเพราะเรามาศึกษามาพัฒนาแ ล, แล้วเราก็มาสอบสอบนะครับทีนี้มาสอบตรงพวกเราพระพุทธเจ้าของเราผู้ไว้นานแล้วในเรื่องนี้พวกเราก็ค่อยๆลืมไปลืมไปเพราะไม่สอนกันมันก็ทํากันเดี๋ยวนี้พวกเราเพิ่งจะเริ่มตื่นบ้าง เพราะฝรั่งเอาคําเหล่านี้ไปใส่ไว้ในประธานุกรมการศึกษาของของ e n c y c l o p e d i หนังสือสารานุกรมแห่งการศึกษาของโลกที่ฝรั่งเติกขึ้นมา24เร่องเดี๋ยวนี้มันมันเท่าไหร่มันเป็นยี่สิบกว่ายี่สิบเก้าเ่มไปแล้วมันมีหลายบริษาธรรมน่าจะมีนะแต่ว้ว่ารามอันนี้คขาเป็นสารานุกรมหมดทุกแขนงวิชาการในโลกนี้ เขาไปเคียนเป็นเรื่อง c o a l i t y of education คุณภาพของการศึกษาเขาว่ามนุษย์ในโลกในถ้าได้รับการศึกษาจะต้องมีคุณภาพแบบ น, นี้อ่านดูเลยก็โอ้อของเก่าพระพุทธเจ้าเราสอนมานานแล้วแต่เราไม่ค่อยได้สนใจก็คือเรื่องที่พูดอย่แหละคุณภาพแบบนี่คืออะไรครับเวลามันเขียน หนึ่งถ้าพูดเรื่องแลการสุ่อารต้องมีคุณภาพสี่ประการหนึ่งฟิสิกันโก้ฟิสิกัโกเขียนเป็นไหมครับไม่เป็นไม่เป็นไรแต่หมายคือคําเดียวกับคำว่าพวิตรกายโยนี่แหละมีการที่ได้พัฒนาแล้วนี่แหละครับเข้า่าจากเราฟิสิกันโก้โกตัวนี้เป็นเป็นการพัฒนาเป็นผลของพัฒนา แต่ตัวดี v e l o p m เม t เป็นเป็นตัวการกระทำ G R O W T H g r o สว่างสวัยรุ่งเรืองบ้าคือไปไกลได้เวงเมื่อเลยได้น่เมือนปีหาเราเออดูชี้แจงกันบมันดีสอนนองภาษาฝว่าปรนะเพราะนักศึกษาต้องเรียนมาดในด้านนี้บางคนก็เอกอังกฤษ เองฟิกัโกลมีกายที่พัฒนาแล้วสองโซเซียนโกลมีสังคมที่พัฒนาแล้วบางครั้งเขาเาวงเล็บอิโมเชน growth. ก็นยังไม่พอนะครับตัวโซซียนโกล์นี่ก็คือพระวิตรศีโลมีศีลที่พัฒนาแล้วนี่ะครับ เพระเรื่องของสินนี่คือเรื่องที่เราจะต้องอยู่กับสังคมไม่ใช่เราอยู่คนเดียวในโลกแล้วเมื่อเรามีสินมีทําดีสังคมก็พัฒนาไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวายจาไม่เข้นไม่ฆ่าไม่บุกรุกสลายกันด้วยวายจาไม่รักมันขโมยกันไม่เรื่องร่ำรวยเกินของรักของสงวนคู่ของของกันอะกันเห ล, ล่านี้แหละมันเป็นสังคมที่ดีงามเป็นโกรเป็นโซเชียลโกสังคมที่ได้พัฒนาแล้ว อันนี้เป็นผลคุ้สินดอกรับที่ว่ า, าพระวิตาสีโรนั่นมันถูกแล้วเข้ามาจากเราเขาไม่ได้ออกมาจากไหนต่อมาอีโมชนั่นโกผู้เท่าอาจจะฟังไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถนัดเพราะตอนนี้ขอใช้เวลากับพวกนักศึกษาลูกหลานหน่อยอุสามา ต, ตโนนพรทธาพนมผมถือว่าเมืองลูกเมืองหลานของผมทุกคน คอยบอกคอจาบปนเนี่ยเ น, นื่อยก็ทนเดาอีโมชนันนโกรรไม่ใช่มูดนะอีโมชนันนนะอารมณ์อารมณ์มีอารมณ์ที่พัฒนาแล้วก็หมายถึงสมาธิก็มาตรงที่ภวิตะจิตโตของเราน่แหละครับมีจิตที่ได้พัฒนาเลยจิตมีอารมณ์ที่งดงามแจ่มใสเบิกบานราเริองหยกอย่างนี้เป็นเป็นอารมณ์ที่ว่าที่เรียกว่าอีโมชนันนโกรธบริวังสังกัญญาลุงของผู้ใด พอมีเงินจกว่าก็มีความสุขหาความสุขได้ง่ายๆจิตตั้งทันตั้งสุขขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนํำความสูขมาง่ายให้ง่ายๆทุกวันนี้คนทุกวันนี้หาความสุขแต่จีไม่ได้ฝึกก็จึงสึกสุขยากทุกข์ง่ายไฟฟาดัดซื้อปา น, ปนพ่อแม่เพื่นตายห้องนิวัตมึงเกาะกาะมือเลยมือมอโลกโศกหนูโอ้ยปันปันพ่อแม่เขาจะตายเพราะจีมันไม่ได้ฝึก มันริงจึงจึง จ, งจึงสูงยากทุกง่ายของเรามันต่ออ e ีโมเชนน์โกลเว่นี่คือพวามวิบาจิตโตมีจิตที่พัฒนาแล้วสารละไใช่ไหมสี่หลนี้จะได้ตัวจตรวจสอบนะครับเราจะได้ตรวจสอบเราว่าศึกษางวดนี้ว่าศึกษาในเนี่ยพอจะสอบผ่านไหมเมื่อถึงวันที่สี่แปดที่สิบเราคงตัวสอบทุกคน ก็จะไม่ได้บอกทดสอบข้อสุดท้ายอินเทเล็กชวโกอินเทเล็กชวโกมีปัญญาที่พัฒนาแล้วก็มาจะกคำว่าพระวิตรปัญโยของเรานี่ที่พระนิจวาสานาจะเสื่อมพระธรรมจะอันตรธานเพราะภิกษุแต่เทระอีพออีเมย์อพอไงห้องผม ไม่มีการพัฒนาสี่อย่างนี้และวลูกหลานก็จะทําตามเมื่อนั้นก็เป็นประเพณีความเสื่อมของพระศาสนาของพระธรรมเอาเข้าใจเลยนะครับสองข้อแรกเป็นตัวตรวจสอบสินพระวิตตกาโยมีกายที่พัฒนาแล้วพระวิตตสีโลมีสินที่พัฒนาแล้วสองตัวนี้เป็นตัวตรวจสอบสินของเรา ศีลโดยทั่วๆไปมันจะครอบคุมอยู่สองด้านซึ่เราซื่งเราศึกษาเราสมทานอยู่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ด้านที่หนึ่งด้านที่พัฒนาทางพฤติกรรมทางกายทางใบาจารย์อย่าเราตือนมาปั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมา น, นั่นม า, มาพัฒนากายนะครับไม่ใช่มาทรมานกายนะอี่น้อยมาลงเนื้อลงตัวหนี่งไม่ได้มาปลวกหลังปวกแอบดก บริษัทละครแห่งเราตีหกตัเดีที่ก็เลยพัฒนาด้วยนั่งได้สบายเลยจะว่าเลยสองชั่วโมงสชั่วโมงมันนิดเดียวดอกน้อยนึงมันได้ฝึกเดีนี <man> ้มันบ้ได้ฝึกมันเลยคือดนเพาว่านางสมัติแงงแกงงอแกงอแกงมันนีก็รึกแล้วบ้นได้พัฒนามันจะไม่โกรธยไม่โกมันยังอันเดอร์ดีวลอเมนยางพัฒนาต่ำๆ่ำยู ยังเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาด้ๆๆวยเบึ่งกายต้องฝึกหัดศีลทุกข้อเกีย่ยวกับปัจจัยสี่การบริโภคจีวบินาาุภาเซนาสนะเพื่อมาหอเลี้ยงกายต้องมีขอมีเขตอย่างตอนชา้าเราไปตักอาหารพอดีมหมครับพอดีบาทหรือว่าพอดีทองถ้าเหลือนี่ยังไม่โก้นั่นังไม่พัฒนากายโยกา ย, ยังไม่พัฒนา พอาการจะรู้ว่ากินก็พอดีนั่งก็พอดีนอนก็พอดีสบายทางกายบริหารกายไปอย่างพอดีไม่ไปฟิดเป็นไผ่ไม่ไม่บีดเบียนไม่ทำลายกินมากก็ไปช่วยเขาผลิตมากก็ไปทําลายมากก็บริโภคมากก็ทําลายทรัพยากรของชาติของโลกมากโดยเฉพาะพระสงฆ์ของเราปัจจุบันนี้ต้องเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนแก่บ้านแก่เมืองถ้าเราโง่เราไ ม, ไม่ไม่มีโกล้ ทั้งสี่นี้พระสมนี้จะกลายเป็นผลผลิตของสังคมสังคมจะจูงตัวหมูแรงไปต้องกรองเขาจะให้กันอะไก็ได้หันสาหันขวด้ยังคู่เลยบุญนี่ต้องมีมอลาบได้ยังคู่ต้มีหนังมอลลาชิ่งได้ยังคู่ต้องมีภาพยนตร์ได้ยังคู่ก็เอาหนุเขาในเขาจูงดังแต่ห้าได้โกทั้งสี่ด้านนี้เราจะเป็นปัจจัยสร้างสรรค์สังคม ชี้นำสังคมได้พัฒนาสังคมได้ทีนี้เอ า, อ เ, อาเลยเขาสิาพาไปเลยเอาไปเอาไปอย่างนั้นมันยงไม่โซเซียนโ ก, กต่อไปข้อที่สองโซเซียนโกก็หมายถึงสินระบบที่เกี่ยวข้องกับสังคมข้อเว้นข้อห้ามต่างๆจะทำให้สังคมนี้พัฒนาไม่บีเบียนกันไม่เล่าร้อน อยู่ด้วยกันได้โดยสินสังคมสงบร่มเย็นกเกษมสารชีวิตส่วนตัวมีความสุขและดีงามด้วยคุณธรรมเหล่านี้แหละคือพระวิตรกายพระวิตรายโยพระวิตสีโลต่อมาลามไปถึงประเทศชาติประเทศชาติมั่นของรุ่งเรือง เศรษฐกิจก็รุ่งเรืองการเมืองก็รุ่งโรดสังคมก็สงบงามด้วยอำนาจแห่งพระวิตกาโยพระวิตกศีโลโซเชียลโกลฟิสิกันโก ร, ร่างกายพัฒนาไม่กินมากไม่มีส่วนเฟิ่มไม่มีส่วนเกิดไม่บริโภคมากไม่ใช้สอนมากก็ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม บ, บ้านเมืองชุมชนสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศป่าเขาลางนอาไพร เป็นอันตรายถ้ากายไม่ได้พิธถ้ากายไม่ได้พัฒนามันจะใช้มากมันจะบริโภคมากผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องหนึ่งปีที่แล้วผมออกมาเจาริญพยาบาลวันแรกวันเดียวจากจากโคราชมาถึงมีคนมาอคอยนีมนไปแทวโอ้ยสงสารเจ้าของเร็ยทะต้องต้องไปครับวันเดียวสามกันกันแรกไปสแสดงทําที่วานนอนน้วาตอนเที่ยง กันที่สองจบกันนั้นก็จะนั่งรถต่อไปเปแสดงธรรมที่อำเภอท่าอุทเทนแต่วันนคอยขนมตรงนั้นมีพระประชุมกันอยู่หกร้อยกว่าลูกไปแสดงธรรมท่านพระฝังเออดีเพื่อแจกเกื้อกูลพระศาสนาส่งเสริมรักษาพระธรรมวินัยไปก็ไปแต่มีสิเงหนึ่งผมคิดพระตั้งหกร้อยกว่า ม, ามึงพวกเรานั่งกันอยู่ในขณะนี้ทั้งภาคทั้งยมหกร้อยกว่า ควสังเกตว่าอดอาหารครับอาหารมึงมากคนไปทําบุญ น, น้อยๆเออน่ายจดจะอยากเทศไปสองชั่วโมงจบพระทั้งหลายก็เรียกร้องขอให้ต่ออกีกก็ต่อไปอครึ่ชงชั่วโมงแถมตัวเองก็จะบาดจบเลยทีเดินทางไปอีกสามร้ยกว่า ก, กิโลไปอำเภอศรีเชียงใหม่ อ, อําเภอศิธาบ่อไปจะไดทำบุญอีกกันหนึ่งการนั้นก็มีกิจกรรมพระสองรมกัน้าว่ารวมกันกิจกรรมแจก พอขึ้นรถพระที่เป็นเจ้าเจ้าหน้าที่ผู้เป็นแม่งานแต่งา น, างานวิ่งตามเอาเงินการเทศมาถวายผมก็รับสองและผมบอกกี่พันเขาบอกว่าห้าหกพันคับไม่มากมอ่สาธุอนุโมทนาเอาคืนไปเอาคืนไปเห็นใครได้บุญ น, น้ำเจ้าเน่คอยมาเอาบุญคุดรูพระตั้งห้าหกห้าหกร้อยไม่รู้จะชั้นอะไรกัน ขอถวานคืนไปค่าอาหารเน้อถ้าหล้วนนะถ้าก็รับไ ป, ไปเราก็ดีใหญ่ไวเราจะได้รอเลี้ยคทำแก่สังคมพระดุงทำาจริงคุณภาพของคอเป็นมนุษย์เพิ่มพลังอย่างพุทธศาสนาแล้วผมนั่งรถทวนม่น้ำโขงขึ้นไปที่อำเภอท่าบอกไปถึงตรงนั้นคนก็รออยู่ครับสามทุ่ม เราอย จ, จะฟังพระพิการไปแสดงธรรมสามทุงยังไม่กลับวิวานสักพันคนนี่แหละแต่ปรากาการหนึ่งครับผ ม, ไ, มได้คิดพระไม่ถึงร้อยโลงทานมีสิบแปดลงนี่คืออะไรคอนซูเมอร์อิสุมบอริฟอนี่จะเมย์มครับเนี่ยนี่คือพระไม่พิตากาโยไม่ได้อล ไ, ไ, ไม่ได้อลุม มีแต่ชิบ ก, กินกินจนมาไต่ตรงออกผมงไปประมาณจิบหายด้วยไหมเนี่ยอุ้ยเห็นอยู่มีมีคนหกเราคงสิจักร่ำกว่าเนี่งานนี้ผมหนักแกว่าผมจะหาอาหารมาเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลี้ยลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมผู้ถึอสาได้อย่างไรผมหนักใจมาครึ่งปีแต่องก็เบาใจทานาจารย์สุขโข ห, หลายหลายฝ่ายมาร่วมอาจารย์สุขโขอภายได้ยกมาถวายเงินเป็นแสนบาทค่าอาหาที่นี้ ถ้ามันเหลือทุบบาทสุดตามผมจะเก็บเป็นกองทุนเพื่อเสกขาปฏิพทาปีต่อไปจะไม่ได้หนักเกิมีนะครับคนจะมาขอตั้งโรงทานอาจารย์เป็นบาปว่าจะบอกขอ่าจะคำว่าตายเขาอกว่าตาเาบ อ, อบเคยตั้งกเนาะไม่ใช่โรงทานนัไปว่าโลงกินคุจักว่มันไม่ได้ฝึกผมม่ให้ตังค์เปรตพระเจ้าพิมพธธิสาเกิดขึ้น พ่อลงหานกินบวกินซีไรฟ์ไม่ใช่กินมาเฟอวังหัดไหนแต่หลากหลายกัมากินกินแล้วก็ใส่กระตาหน่อยเมื่ออาเซีถุงเมื่อตายเ ป, เป็นเพศพ้องไม่อย่างห้เจ้าเป็นเพศคนหมดในฮ่องก็ลิสต์ต้น้เจ้าเด้ต้องพัฒนาในนี้เป็นโซเชียนโกให้สังคมมีพัฒนานด้วยไม่ใช่แต่มีแต่เพาะหลงพู น, า น, านาา้าพูน้าสมไปไกลเธได้คำว่าสอบไปดูซีสอบได้ยังไงตั้งแต่ ไปเรื่อยมีคนจะมาขอตั้งโรงทานผมสงสารคนจะเป็นเปนเรตพวกที่จะมากินเพราะโรงทานไปว่าโรงรับประทานกินไม่มีระบบไม่มีระเบียบอยากกําไรก็มากินกินล้นกินเหลือคนทุกคนอย่ากในโลกนี้มีอีกมากถ้าเราไม่รู้จักประมาณ เพราะฉะนั so, it, ite, it another, it, ้นเสขปิปทาที่มีคาว่ามัตตันยาตจะพัฒน์ตัเมิงโพชเนมมัตตันยุตาจงรู้จะประมาณในการบริโภคนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งของเสขปิปทาจารณะสิบห้าเขาก็เลยไม่ให้ตั้งถ้าตั้งลงทางเราจะไม่มีระเบียบเลยพ่อขาเม่อข้าวนึ่งทรูดล่าสิผู้โลดาไตีคอกดูกเบิ่งไปยาโบแล้ไ ได้อันหนึ่งก็ยังอันหนึ่งทำคอยยาวๆเชิงหาพ <lur k> อได้แล้วก็มองหาถุงซตั เอาเถอะาพระถ้าเรนเองะเงอหยิบโนบ้านยืนนิ่ว่าก็เต็มบาทไม่รู้จักประมาณาากินไปยังนอนเลี้ยงวังาก็ได้เ๊บเอยจะให้มูซอยซอยหมด น, น, นี้มันแล้วพวกนี้พอบ้ากุศถ้าเราเป็นระเบียบดีทำเป็นช่อง พอฉันข้าวจนจะเสร็จต้องีแล้วน้อยตัวบาทเหลือบริสุบธิ์ถ้าเหลือสอบตกถ้าบดก็ยะช่วยยังแก่ดีถ้าพ อ, อา ด, ดีปับ๊บทไม้อิ่มมาพอดีครับโอเคเวิโภคเกรดเ อ, อสอบได้เราไม่ต้องบริโภคมากให้เป็นตัวอย่างแก่บ้านแก่เมืองเดี๋ยวนี้ปัญหาใหญ่ของโลกเกิดขึ้นจากการบริโภค องค์การสัมภาชาชาได้สุป ล, ลงแล้วว่าปัญหาใหญ่ของโลกปัจจุบันนี้หนึ่งดิเพเช่นทรัพยากรร่อยรอจากโลกเพราะคนมากบริโภคมากคนจานวนมากเพราะเพเพเลชั่นคนหลายพวนน่าตายเพราะวิทยาศาสตร์มันจะเริญมียารักษาได้ดีสองปัญหาใหญ่ต่อมาพ o l ิวชั่น ของเสียเกลืนโลกของดีในโลกเอามากินให้หมดกินแล้วมาถ่ายเทใส่ในโลกคือเขาวจงขจัะของเสียอากาศเป็นพิษมลพิษเกิดขึ้นตอนนี้จะเป็นปัญหาแก่โลกมากปัญหาที่ฝลั่งกลัวที่สุลาเดียวนี้ลูกไม่ดีหัวไม่ดีมีไม่ดีสังคมไม่ดีย้ายหนีไปอยู่ที่อื่น แต่ถ้าโลกทั้งโลกน่ไม่ดีมันมีแต่สาพิษมีแต่อากาศเป็นพิษนี้เกษตมันจะสิตายเขายาดให้ได้ฝังของมันแคว่าขัได้ยาดเราท่าวนวันหจักเจ า, จานเมอสีหูวจกักตื่นัคนเห็นยาเขาเขาหมักแรงแต่ั้งคนฝลังเไม่ในเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องเรื่องภาวนาสี๋นี้ ก, ก, ก็ก็จะตื่นตัวจากฝลั่งละพลังเจอไปเคียนแล้วเป็นคุณภาพของการศึกษาคุณอ t i o n สองข้อแรกตรวจสอบศีลเราภาวิตาสีโลมีศีลที่พัฒนาแล้วจะต้องตรวจสอบด้วยภาวนาสองหนึ่งอธิศิลปศิลปาต้องต้องตรวจสอบด้วยภวิตากายโยการเพัฒนาไหมสงบงามไหมไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนอื่นต่อสังคมต่อสภาพแวดล้อมไหมการกินการเสพการบริโภคของเราไม่ทบลายไม่ประทุสลาย สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติให้รอดรอดไปไหมว่า น, นั้นผมมีแนวคิดคือแบบว่ า, าพระที่สีที่ท่าบอกเจ็ดสิบกว่าลกูกโรงหานสิบแปดโรงไม่รู้จะหมดเงินไปเท่าไหร่ที่สูวเสียในการบริโภคนะแต่พระโสรีตา เ, เป็นกอบเป็นกำเป็นกระบุงอยู่เท่าเทนบ้านน้องเทาหกร้กว่าลกูกมมีโรงฐานสักครึ่งโรง พอแย่ๆเลยทาอาหารพอกินบ่อยก็พอเป็นนต่างดาวใจรึเปล่ายังยังยังมาแต่ไกลคือคือใจเสียสละขึ้นมาวิ่งตามหลังรถจะมาถวายกันเทศผมหกพันบาทผงถวายขึ้นไปคาไปคาอาหาเด้อขอัญลิศตนมวเจ้ามวยจะวิ่งในบริโภคเมื่อคี่ดูคนเจ็ดสิบกับคนหกร้อยการบริโภคพิษกันต้องทำลายมากกว่ากันการบริโภคมากก็คือกันทำลายมาก เดี๋ยวนี้โลกกำลังการพากันประนามฟังให้ดีนะพาสมของเราจะจะไปเข้าข่ายคอสมองอิสระของเขาโลกเขากำลังประนามวันที่โลกมีปัญหาหนึ่ง d e p l t i n ขาดแคลนหมดสิ้นพวกทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายสิ้นเอามาเสพมากสอง pollution มารับมนุพิษของเสียในโลกนี้มากเกิดมาจากการบริโภคกันทลายเพราะอะไ ร, เข า, ารเขามาสรุปว่าเพราะคนมากคนในโลกนี้ถึงหกพันล้านกว่าคนมนลวลรวมของประชากรโลกแต่มีข้อแย้งมาว่าไม่แน่คนมากมนคนมากกินน้อยก็มีทลายน้อยก็มีแต่คนน้อยกินมากมันทลายมากกว่าเองก็เหมือนที่ผมว่านเนยหก้ยับเจ็ดสินี่แหละ เดี๋ยวนี้ประชากรของสหรัฐอเมริกามีอยู่ 20.5 เปอร์เซ็นตของมวลลงของประชากรของโลกโลกนี้มีทั้งหมด 6,000 กว่าล้านแต่นั้นในประเทศอเมริกาประเทศเดียาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 20.5 เปอร์เซ็นตของมวลลงทัง้งหมดของประชากรโลกแต่บริโภค เคพาะอเมริกาแต่เดียวลริโภคมนโลงของของโลกของทรัพรยากร 40% ครับถ้าเกิดคนอเมริกามีสักมีเข้าไปสัก 20% จะกินกินกินหมดเลยคนอื่นไม่ได้กินเลยนี่บริโภกว่าคนน้อยกินมากมันทำลายมูทำลายคณะพวกเราที่ดูหดีนะครับ อเมริกา 4.5 เปอร์เซ็นตของมวลรวมของโลกบริโภคทรัพยากรธรรมชาติของโลกทั้งหมด40เปอร์เซนแต่ถ้าหาว่าคนอเมริกามีสัก10เปอร์เซ็นตนี้มีกินิประว่า 4.5 มาเป็น8เป็น 9% ก่าไปส0อัปทั้ง10เอร์เซ น, นี์มันจะกินหมดเลยเพราะเพียงแค่ 4.5 เน์ีบริโภคมวลรวมหมดไปตั้ง40เอร์ซ เพราะอะไรเพราะคนอเมริกันบริโภคมากนั่นคือคือที่เาเรยก่าโซคนสมัวโซไซติสัส and, inside, สงคมแห่การบริโภคทีนี้พระเจ็ดสิบลงทางสิบแปดลงกับพระหก0อยลงทางไ ม, ม, ม, ม่มีเมตรแต่ครึ่งโลงมันเป็นอะไรมันมันบาลานซ์กันไหมครับทีนี้เรามองดูชาวบ้านดูดี่ตำบลบ้านเพศตำบลหนองบัวสิม มีคนสองตะบนนี้ประมาณสักแปดพแข่งแปดคนสมมติและพวกราวันที่นี้ประมาณสักหกร้คนกินล้มบาทล้นบาทกินล้นล้มพาชนะกินล้นถลงมเอาไปที้คุณไะไบริโภคอะารก็แล้วแ่รเงี้ยโยเอฟเดอรดเพิ่งคืน ด, ดีๆเลยมาตังอยู่ตานี่เป็นการตรวจที่ว่าพวิตกาโย ο, มีกายที่พัฒนามาแล้ว การบริโภคก็เพื่อหล่อเลี้ยงกายการนุ่งห่มเสื้อผ้าก็เพื่อปอกปิดอวัยวะส่วนที่หน้าละอาเรื่องบรรเทาความร้อนของหนาวให้แก่กายปัจจัยสีทั้งหมดที่เราเสพเราบริโภคอยู่ล้วก็เพื่อหล่อเลี้ยงกายอยันนี้ให้ตั้งอยู่ได้ที่ว่ญญายาปนาญยะเพียงเพื่อตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เอาสวดสวดอยู่เจ้าเรกว่า ด, ดังนี้ ด, ดังนี้อยู่เป็นเวลาฟาเราเปารเวท ตัวตัวสอบเลนี้สอบ่าสอบในบาทมือตัวตกไปอาบาทนี้เราเป็นตัวสอบสอบพวิตรกาโยเล้วขนมีเลื้อลาสอบตกขันพอดีสอบได้อม่ารนี่พวิตรกาโยแล้วพวิตรสิโลแล้วไปตัวสอบอธิศินสินสิขาทีนี้อีโมเชนโกข้อที่สามไหมครับ ตัวสอบสมาธิสมาจิตตะกขามีอาดม์ที่พัฒนาแล้วได้ยินเสียงของมุยมุยยิมเปยอโอ้สาทุจะเป็นดีเนาะก็ังเมยอย่กัตีบุกเดินเดินเู้ขาสยได้ไปเึก่ขาเจ้าของเลวบอกขันจะสิสอบได้ขัมุยมุยนาบนมุยูเดกบอตีตายหาอย่างนาินินเดินเตินเดินเดนเดินดิตเิดดนิ กูได้บุญจาการาโดว ย, วยดบดุญูทั้งยังผมที่เจอของมึยมึยตีกั้งดัดขดึ้นตีหนึ่งตีสองกูหลงมาเห็นอย่างโ น, โาาาาน้ อ, นนรนอววประเด็ น, นรกไว้ ก, กูจะพ น, นมนั่นดิวัดพน่งว่เพราะไอ้ปีนาในราคขัๆกลับมาจิสอบอกมันไม่อีโมเชนโกเลยมันตะโกที่พระเจ้าพวิตรจิตโตมีจิตที่พัฒนามาดีแล้วโยสมาธิ ตั้งมัน่นบริสุทธิ์ควรแก่การงานมองโลกในแง่ดีๆเรียกว่าโพส i t i v e ง h i อีเด้อลี่มองโลกในแงด่ดีๆเ Post พือ่อจะให้เจ้าของดีไพื่จะให้เฮาดีแต่วเพื่อนปลูกเฮ้าแต่เศ้าแต่เสียวแต่ด็กแต่เดินเนื่องกินื้อจะอยากเพิ่งหามาแห้ห่างเพ่เพ่ประเทศต่างปเทศนี่โจ๊กกระบอกซ้อกระบอกเก็บไว้แต่ซื้ออาหารเลี้ยงโลกเลี้ยงหลานได้มบ่มเพัะพัฒนาเพได้อยากได้นั่งนำดอก อยากให้เป็นคนหูผูด้ดีเป็นลกูกเป็น